เศรษฐิภริยาวัตถุว่าด้วยภรรยาเศรษฐีปวดศีรษะ330รสมัยนั้นภรรยาเศรษฐีกรุงสาเกตป่วยเป็นโรคปวดศีรษะเป็นเวลาเจ็ดปีนายแพทย์ที่สาป่าโมก ค, คนสำคัญหลายคนมารักษา ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากชีวโกโมารพัดเดินทางเข้ากรุงสาเกศสอบถามคนทั้งหลายว่าพนายใครเจ็บไข้บ้างผมจะรักษาใครคนเหล่านั้นตอบว่าท่านอาจารย์พัญญาเศรษฐีป่วยเป็นโรคปวดศรีรษะอยู่เจ็ดปี เชิญท่านไปรักษานางเถิดชีวโกมารพัฒเดินทางไปถึงถิ่นที่อยู่ของเศรษฐีขหะบดีสั่งคนเฝ้าประตูว่านี่แน่นายประตูท่านไปกราบเรียนพัญญาเศรษฐีว่าหมอมาแล้วขอรับเขาจะเยี่ยมพัญญาท่านเศรษฐีคนเฝ้าประตูรับคำแล้ว เขาไปหาพัญญาเศรษฐีกราเปลียนว่าหมอมาแล้วขอรับเขาจะเยี่ยมคุณนายพัญญาเศรษฐีถามว่าหมอเป็นคนเช่นไรคนเฝ้าประตูตอบว่าเป็นหมอหนุ่มขอรับพัญญาเศรษฐีกล่าวว่าอย่าเลยหมอหนุ่มจะช่วยอะไรฉันได้ นายแพทย์ทิสาปาโมกคนสำคัญหลายคนมารักษาก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากนายประตูออกมาหาฉี่วโกโกมารพัแล้วบอกว่าท่านอาจารย์พัญญาเศรษฐีบอกว่าไม่ละหมอหนุ่มจะช่วยอะไรฉันได้นายแพทย์ทิสาปาโมกคนสำคัญหลายคน มารักษาก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากชีวโกโมารพัฒ์กล่าวว่าท่านไปนกราบเรียนพัญญาเศรษฐีว่าคุณนายหมอสั่งมาว่าคุณนายอย่าเพิ่งให้อะไรอะไรต่อเมื่อโรคหายแล้วจึงค่อยให้สิ่งที่ประสงค์จะให้ก็ได้ นายประตูรับคำของชีวกโกมารพัทเข้าไปหาพัญญาเศรษฐีแล้วกราบเรียนตามนั้นพัญญาเศรษฐีตอบว่าถ้าเช่นนั้นเชิญคุณหมอเข้ามาได้นายประตูรับคำของพัญญาเศรษฐีแล้วเข้าไปหาชีวกโกมารพัทบอกว่าท่านอาจารย์พัญญาเศรษฐีขอเชิญท่านเข้าไป ลำดับนั้นชีวโกโกมารพัฒเข้าไปหาพัญญาเศรษฐีตรวจดูอาการของโรคแล้วบอกว่าคุณนายขอรับผมต้องการเนยใสยหนึ่งซองมือเมื่อพัญญาเศรษฐีให้หาเนยใสายมาหนึ่งซองมือแล้วเขาจึงหุงเนยใสยนั้นกับยาต่างๆ ให้พัญญาเศรษฐีนอนหงายบนเตียงแล้วนัดยาขณะนั้นเนยใสยที่นัดเข้าไปได้พุ่งออกทางปากพัญญาเศรษฐีถ่มเนยใสยนั้นลงกระโถนสั่งหญิงรับใช้ว่าแม่สาวใช้เธอจงเอาสำลีซับเนยใสยนี้ไว้ขณะนั้นชีวโกมารพัฒน์ระหนักว่า แปลกจริงๆแม่บ้านคนนี้ช่างศกกระปรกนักเนยใสยที่ต้องทิ้งก็ยังให้หญิงรับใช้เอาสำลีซับไว้อีกส่วนยาของเรามีราคาแพงมากกว่าจะปล่อยให้เสียเธอจงให้ทยธรรมอะไรแก่เราบ้างนะพัญญาเศรษฐีสังเกตอาการของเขาจึงถามว่าแปลกใจอะไรหรืออาจารย์ ชีวโกมารพัทจึงเล่าเรื่องนั้นให้ทราบ พ, พัญญาเศรษฐีตอบว่าอาจารย์ดิฉันเป็นคนมีครอบครัวจำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งที่ควรเก็บไว้ใช้เนยใสยนี้ยังดีอยู่จะใช้เป็นยาสำหรับทาเทา้าพวกทาตหรือกรรมกรก็ได้ใช้เป็นน้ำมันเติมตะเกียงก็ได้ท่านอย่าวิตกไปเลย รางวัลของท่านจะไม่ลดลงครั้งนั้นชีวกกมารพัฒได้รักษาโรคปวดศรีรษะของพัญญาเศษฐีซึ่งเป็นเรื้อรังมาถึงเจ็ดปีให้หายได้โดยวิธีนัดยาครั้งเดียวเท่านั้นครั้นพัญญาเศษฐีหายโรคแล้วจึงให้รางวัลแก่เขาเป็นเงินสี่พันกะหาปณะนะ บุตรเศรษฐีกหบดีพอได้ทราบว่ามารดาของตนหายดีเป็นปกติจึงให้รางวัลเพิ่มอีกสี่พันกหาปณะสะพ้ายพอได้ทราบว่าแม่ผัวของตนหายดีเป็นปกติจึงให้รางวัลเพิ่มอีกสี่พันกหาปณะเศรษฐีกหบดีพอได้ทราบว่าพัญญาของตนหายเป็นปกติ จึงให้รางวัลเพิ่มอีก 4,000 กหาปณะนะพร้อมกับให้ทาตทาสีและรถม้าชีวโกมาราพัทรับเงิน 16,000 กหาปณะนะพร้อมกับทาตทาสีและรถม้าออกเดินทางไปกรุงราชครืครั้นถึงแล้วได้เข้าเฝ้าเจ้าชายอาภัยกราบทูลว่า เงิน16กพันกหาปณะนะพร้อมกับทาตทาสีและรถมานี้เป็นผลตอบแทนครั้งแรกของกล้าวกระหม่อมขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดรับข้าเลี้ยงดูของกล้าวกระหม่อมด้วยเถิดพระเจ้าข่าเจ้าชายอภัยรับสั่งว่าอย่าเลยพ่อชีวกทรัพนี้เป็นของเจ้าคนเดียว เจ้าสร้างบ้านอยู่ในวังของเราเถิดชีวกโกมารพัฒ์กราบทูลรับพระบัญชาว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระเจ้าค่าแล้วได้สร้างบ้านอยู่ในวังของเจ้าชายอภัย